จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษอุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมวัวนาวันฝังธรรมเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะ ในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่จะมีธรรมเนียมในการเข้าวัดเพื่อทำบุญเพื่อจะได้อุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วบุคคลที่เรารักเราเคารพที่ได้ตายจากเราไปแล้วเรามีความรักมีความห่วงใยเราก็เลยมาทำบุญ เพื่อที่จะได้บุดทินบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ที่ต้องมารอรับส่วนบุญจากพวกเราเพราะว่าเวลาที่ตายไปแล้วนี้สถานที่จะไปมีหลายสถานที่มีหลาย มีหลายฐานะด้วยกันคือมีทั้งไปแบบเศรษฐีและไปแบบขอทานถ้าไปแบบขอทานก็ต้องมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราทิศไปให้ถ้าไปแบบเศรษฐีก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลพวกที่ไปแบบเศรษฐีนี้ทำไงเขาถึงไปได้ กเพราะว่าเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาหมั่นทําบุญให้ทานอย่างสม่ําเสมอหมั่นรักษาศีลอย่างเสมอไม่ทําบาปทํากรรมเรืงนี้ก็จะได้มีสะสมบุญไปเรื่อยๆพอเวลาตายไปก็จะมีบุญเป็นเศรษฐีบุญไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพในชั้นต่างๆ พวกนี้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญพวกที่รอรับส่วนบุญก็คือพวกที่เวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาสี่งพวกนี้นะที่ตายไปแล้วจะต้องไปเป็นขอทานทางจิตเวิยนญาณที่จะต้องมาคอยรอรับส่วนบุญจากพวกเราที่ทำบุญ บุญที่เราทำนี้ก็เป็นสองส่วนด้วยกันส่วนใหญ่นี้จะเป็นของเราส่วนย่อยคือส่วนที่เราอุทิศไปเพราะว่าผู้ที่จะรับบุญอุทิศนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับได้มากเป็นเหมือนขอทานที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับเงินรับทองบริจาค จากผู้อื่นได้มาเพราะไม่อยู่ในฐานะไม่มีความสามารถที่จะดูแลรักษาเงินทองไม่สามารถที่จะนาเอาเงินทองไปทำคุณทำประโยชน์ได้เขาเลยมักจะไม่ได้มากขอทานเวลาเราให้เงินเขาเราให้เพียงเล็กน้อยพอให้เขามีกินมีใช้ไม่ เดือดร้อนไม่ทุกยากลำบากฉันใดบุญที่อุทิศก็เป็นอย่างนั้นบุญอุทิศนี้เราอุทิศได้เป็นเพียงส่วนน้อยส่วนใหญ่นี้จะเป็นของเราจะเป็นบุญที่เราจะได้พึ่งพาอาศัยต่อไปเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วการทําบุญจึงมีประโยชน์สองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเราจะมีบุญติดตัวไป เวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วส่วนที่สองเราก็จะมีบุญแบ่งปันให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วที่ตกอยู่ในฐานะเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเวลาเราทําบุญแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราต้องอุทิศบุญการอุทิศบุญนี้ส่วนใหญ่เราจะมัก รอให้พระว่าสัพยาตาสัพพีก่อนแล้วเราจะจึงจะอุทิศด้วยการมีที่กวดน้ำเช่นพยาพาชนะที่ใส่น้ำรองรับน้ำเวลาพระว่ายาถาเราก็เริ่มเทน้ำลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตไปภายในใจ ว่าอยากขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วถ้าอยู่ในฐานะที่จะม า, ม า, ม า, มารอรับอยู่ก็ขอให้รับบุญส่วนนี้ไปอันนี้เป็นธรรมเนียมที่เราทำกันทั่วไปแต่มีคนถามว่า ถ้าไม่มีน้ํานี่เราจะอุทิศบุญได้หรือเปล่าเราก็ยังอุทิศได้เพราะว่าน้ํานี้ไม่ได้เป็นตัวบุญน้ํานี้เป็นเพียงภาพที่จะเปรียบเทียบให้เราเห็นกระแสของบุญที่เราอุทิศไปบุญนี้เป็นอาหารทิพเป็นของทิพที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปล่า เราจึงต้องอาศัยใช้น้ำเป็นตัวอย่างดังนั้นเวลาเราอุทิศมีน้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็ได้แต่ต้องมีบุญคือเราต้องได้ทำบุญเวลาเราทำบุญแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเหมือนกับได้รับประทานอาหารนี่แหละคือสิ่งที่เราจะอุทิศไปก็คืออาหารทิพย ให้แก่ผู้ที่เขาหิ ว, หวโหยโอดอยากขาดแคลนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีบุญติดตัวไปเราเึง อ, อุทิศบุญนี้ไปให้กับเขาด้วยการอิทะอธิษฐานจิตไปภายในใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าถ้าไม่มีผู้ที่เราอุทิศมา รับก็ขออุทิศให้กับสัทพสัตทั้งหลายผู้ที่ไร้ญาติาดมิตรที่ไม่มีใครทาบุญอุทิศไปให้ถ้าเขาปรารถนาต้องการรับบุญอันนี้ก็ขอให้เขารับไปได้นี่คือการอุทิศบุญจะอุทิศด้วยน้ำก็ได้ไม่ด้วยน้ำก็ได้จะอุทิศตอนที่ พระสวด ญ, ญาถาสัพพีหรือไม่ก็ได้เช่นเวลาเราอยู่ที่บ้านเราใส่บาพรพอใส่บาเสร็จพระท่านเดินไปเราก็อุทิศบุญได้เลยควรจะอุทิศบุญตอนที่เราทำบุญเสร็จใหม่ๆเพราะตอนนั้นบุญกำลังมีอยู่ภายในใจของเราความสุขใจความอิ่มใจมีอยู่ในใจของเรา ถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปเราไปทำอะไรเราเกิดอาจจะเกิดมีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอารมณ์ไม่ดีนี้ก็จะมากรบอารมณ์ดีคือความสุขใจอิ่มใจพอเราไปอุทิศบุญตอนนั้นเราก็จะอุทิศอารมณ์ที่ไม่ดีไปแทนที่จะอุทิศอารมณ์ดีคือความอิ่มเอิกใจสุขใจไป เราอาจจะอุทิศความโกรธความเกลียดไปก็ได้ดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียมที่เวลาเราทําบุญแล้วเราควรจะอุทิศบุญได้เลยไม่ต้องรอพระมาสวดญาถาสัพพีก็ได้เพราะการสวดญาถาสัพพีนี้เป็นการแสดงรรมเป็นการบอกเล่าถึงการ อุทิศบุญส่วนแรกที่พระท่านกล่าวคือยาติฐานี้เป็นการบอกกล่าวว่าบุญที่ท่านได้ทําในวันนี้ท่านสามารถที่จะอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เรียกว่ายาตถาพอท่านกล่าวเสร็จแล้วก็พระจะสวดพร้อมกันสัพพิติโยตอนนั้นเป็นการให้พรญาติโยแสดง อา น, นิสง์ของการทำบุญว่าเมื่อทำบุญแล้วจะมีความเจริญด้วยอายุวันะสุขภะละดังนั้นถ้าจะทำการกวดน้ำในช่วงที่พระกล่าวคำญาถา<ม>ก็ควรจะเริ่มตั้งแต่พระกล่าวคำญาถาไปกวดน้ำไปพอพระร่วมสวดสัพพีตอนนั้นเราก็เทน้ำให้หมด แล้วเราก็วางภาชนะที่กวดน้ำไว้แล้วก็พนมมือรับพรเพราะส่วนที่สองนี้เป็นการให้พรส่วนแรกนี้เป็นการบอกวิธีการอุทิศบุญจึงมีคำพูดที่พูดกันว่ายะถาให้ผีสัพีให้คนยะถาก็คืออุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พอสัตพี่ก็รับพรคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือเรื่องของการทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเราไม่ควรจะรอทำแต่เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นเพราะถ้าผู้ที่เขารอรับบุญนี้เขาจะมารอรับเพียงปีละครั้งนี้เขาก็จะต้องทุกข์ยากลำบาก เพราะว่าบุญนี้ก็เป็นเหมือนอาหารถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีความรักมีความห่วงใยบุคคลที่ร่วงรับไปแล้วเราก็ควรจะทําบุญทุกวันเช่นทําบุญตัก บ, บาตรทุกวันทําบุญแล้วเราก็อุทิศบุญนั้นไปให้กับเขาถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญส่วนนั้นไปไม่ใช่ปีหนึ่งอุทิศหนเดียวแล้วก็จบ เหมือนกินข้าวปีละครั้งอย่างนี้คิดดูก็แล้วกันว่าร่างกายมันจะเป็นอย่างไรดีที่ว่าใจนี้มันไม่ตายเหมือนร่างกายเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันจะมีแต่ความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้รับส่วนบุญที่พวกเราอุทิศไปดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วที่เรารักเราเคารพ มีอาหารหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณของเขาเราก็ควรที่จะทาบุญอุทิศไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ไปเกิดใหม่ต่อไปถ้าเขาได้ไปเกิดแล้วเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญอุทิศของเราอีกต่อไปแต่การทำบุญนี้เราก็จะไม่ขาดทุนถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้รับส่วนบุญ เพราะว่าบุญส่วนใหญ่ที่เราทำนี้ยังอยู่กับเรายังเป็นของเราจะเป็นบุญที่เราจะอาศัยได้หลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณไม่อยากจะไปเกิดนาบายนอกจากทำทานทำบุญแล้วเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ด้วยคือต้องละเว้นจากการฆ่าลักทรัพย์ พูดผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเพราะนี่จะเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เราได้ตกลงไปในอบายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำบุญให้ทานเนื่องจากว่าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีทองที่จะทำแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็น ขอทานทางจิตวิญญาณหรือไม่ต้องไปเกิดในอบายไปใช้เวรใช้กรรมไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตายไปเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทาบุญด้วยรักษาศีลด้วยตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับ บุญที่เราทําว่ามากว่าน้อยศีลที่เรารักษานี้บริสุทธิ์มากบริสุทธิ์น้อยก็จะทําให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วถ้าเราอยากจะได้ไปเกิดสูงกว่าชั้นเทพก็คือชั้นพรหมเราก็ต้องฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบเพราะใจสงบนี้แหละที่จะให้ ใจได้กลายเป็นพรหมความสุขของพรหมนี้เหนือกว่าความสุขของเทพของมนุษย์แล้วก็มีอายุยืนยาวนานกว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขมากๆมานานเราก็ควรที่จะหัดนั่งสมาธิกันวิธีที่จะนั่งสมาธิได้ผลนี้เราต้องฝึกหัดจเจริญสติก่อน สติจะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่พรหมโลกให้ออกจากเทวโลกถ้าเราไม่มีสติเช่นถ้าเราไม่บริกรรมพุทโธพุทโธใจของเราก็จะคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ทำให้เราติดอยู่กับความสุขแบบนี้เวลาตายไปเราก็ต้องไปหาความสุขทางรูปทิพย์เสียงทิพย์ลิ่นทิพย์ถ้าเราได้ทำบุญไว้ได้รักษาศีลไว้เราก็จะไปได้ขั้นขั้นโลกทิพย์คืออาหารทิพย์ที่เทวดาทั้งหลายเขาเสพกันแต่ถ้าเราอยากที่จะขึ้นสูงกว่าโลกของเทวดา ไม่อยากจะเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เราก็ต้องเจริญสติดึงใจให้ออกจากความคิดที่จะไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัณฑ์ <c oughs> วิธีที่เราจะดึงใจออกมาได้เราก็ต้องมีสีแปดเป็นเครื่องมอือไว้ช่วยเหลือถ้าเราไม่มีสีแปดนี้จะยากต่อการที่จะ ดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่ถ้าเราถือสิ่งแปดได้เราก็จะต้องระ ง, งับการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเช่นเราก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเราจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไป เราจะรับเพียงพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็คือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราจะไม่หาความสุขจากการดูการฟังพวกมหัศพบันเทิงต่างๆจะไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์วิจิตรพิสดารด้วยเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมต่างๆ เราจะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติคือบอิกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับพยายามให้ท่องพุทโธไปในใจอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะเวลาใจคิดแล้วก็จะคิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะไม่อยากรักษาสีงแปดก็จะรู้สึกว่ามันยากเพราะเวลาคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนอยากจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนเวลาคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงดนตรีก็อยากจะดูภาพยนตร์อยากจะฟังดนตรีเวลาคิดถึงอาหารนขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆก็อยากจะไปดื่ม ดื่มเครื่องดื่ดต่างๆรับประทานขนมนมนมหนอยอาหารชนิดต่างๆแต่ถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้เราก็จะไม่ไปหาความสุขต่างๆเหล่านี้เราก็จะทําให้เรานั่งเฉยๆได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้พอใจสงบเราก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ ว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานเพราะว่าเป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราต้องมีเงินซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลธพาเราถึงจะได้รับความสุข เวลาใดที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เวลาใดที่เราไม่มีเงินไม่มีทองเราก็จะไม่สามารถไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ความอยากหาความสุขยังไม่หมดไปยังมีอยู่ภายในใจ มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เราจะไม่เดือดร้อนกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะเราหาความสุขด้วยใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เราห า, หาความสุขด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปการบริกรรมพุทโธนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีความสุขที่จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะเรารู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องหมดสภาพไปเขาจะไม่สามารถ เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เวลานั้นเป็นจะเป็นเวลาที่จะให้เรามีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราสามารถบริกรรมพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะสามารถทาใจของเราให้สงบนายใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุขไม่ต้องไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพยายามทํากันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายถ้าเรามีสมาธิเรามีการบริกรรมพุทโธเวลาร่างกายแก่เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามี สมาธิความสงบเป็นที่พึ่งทางใจได้แต่สมาธินี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาออกจากสมาธิมาความสุขความสงบมันจะหายไปพอมันหายไปแล้วความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขก็จะกลับมาอีกถ้าเราอยากจะป้องกันไม่ให้ความอยากนี้ มาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราเราก็ต้องใช้ปัญญามาดับความอยากปัญญาที่พระเจ้าทรงคนพบนี้ก็คือทรงรู้ว่าทรงเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองและสิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงอย่างถาวร จะเป็นความสุขชั่วคราวและเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขเหล่านี้ได้เราก็จะต้องมีความทุกข์เพราะความอยากหาความสุขเหล่านี้ดังนั้นเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเวลาเราเกิดความอยากเราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้สอนใจว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์เหมือนคนที่ไม่เคยติดยาเสพติด อย่าไปเสพยาเสพติดเพราะถ้าเสพแล้วมันจะติดติดแล้วเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์ทรมานใจแต่คนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีความอยากที่จะเสพยาเสพติดนั่นเองดังนั้นเวลาที่ออกมาจากสมาธิแล้วเกิดความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทาน ก็ต้องหักห้ามจิตใจไว้ว่าอย่าไปทำบริกรรมพุทโธไปดีกว่าบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วความอยากก็จะหายไปแล้วความสงบก็จะกลับมาความสุขก็จะกลับมาถ้าเราต่อสู้กับความอยากอ ย, ากอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดกําลังไปต่อไปจะไม่มีความอยาก มาสร้างความทุกข์ความทรมานใจให้กับเราอีกต่อไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่ว่าจะมีหรือไม่มีจะรวยหรือจะจนไม่สำคัญจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็ไม่สำคัญเพราะว่าเรามีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะไม่มีตัวที่สร้างความทุกข์มาสร้างปัญหาให้กับเรานั่นเอง ก็คือไม่มีความอยากต่างๆถ้าไม่เชื่อลองสังเกตดูวันไหนที่เรามีความไม่สบายใจลองหาเหตุผลดูหาก็ไปในใจนั่นเถิดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังอยากอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็จะได้คำตอบว่าเราอยากได้อย่างนั้นอยากนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอไม่ได้ดังใจอยากเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราเห็นล้วเราหยุดความอยากได้เราก็จะหายจากความไม่สบายใจได้นี่คือวิธีที่พวกเราควรจะสร้างบุญกันการปฏิบัติแนวนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญการทำทานก็เป็นการสร้างบุญการรักษาศีลก็เป็นการสร้างบุญ การนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็เป็นการสร้างบุญการเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์และสิ่งที่อยากก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเพราะเขาเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราบังคับควบคุมไม่ได้เวลาเขาจะเฉื่อมเขาจะจากเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แล้วเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่จะให้ความทุกข์ทรมานใจกับเราถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจนี่คือการเจริญปัญญาที่จะทำให้เราได้รับบุญอย่างถาวรคือได้รับความสุขอย่างถาวรก็คือความสุขของพระนิพพานนี้เองเกิดจากการตัดความอยากตัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจพอไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายความสุขที่อยู่ในใจก็ไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายที่จะต้องมีวันหมดไปเมื่อเราแก่ลงไปเราเจ็บไข้ได้ป่วย และเมื่อเราตายไปดังนั้นเราอยากเพิ่มความสุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวควรหันมาเพิ่มความสุขทางใจด้วยการทําบุญตามที่พร ะ, ระเจ้าทรงสั่งสอนกันให้ทํากันอย่างที่พวกเรามาทํากันในวันนี้มาทําทานมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา เพื่อที่จะได้นําเอาไปสอนใจให้ละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าท่านพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆความสุขทางใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและความจําเป็นที่จะต้องเอาสัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญในช่วงเทศกาลสงการนี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนี้ไปศึกษาไปปฏิบัติกันเพื่อความสุขความเจริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ